พวกเราอย่างติดนิสัยเว้นวักนะานานนะพอมีเวลานิดๆหน่อยๆจะปล่อยใจไม่พอนานหรอกหลวงพ่ออุสา์มานั่งรอ ด, ดูแ <c> ล <oughs> ้วหลวงพ่อมาใหม่ๆก็ทำขลึมนะ <c oughs> เห็นหลวงพ่อเงี่ยมเยียไปแล้ว <c oughs> เวลาอย่าทิ้งมันนะ <c oughs> อย่างถ้าเราทิ้งห้านาที หนาทีสิบสองครั้งได้เท่าไรชั่วโมงวันหนึ่งแค่เผลยวันละห้านาทีรวมสิบสองชั่วโมงที่ตื่นคอหนึ่งชั่วโมงแล้วหายไปชีวิตตายเปล่าไปอีกชั่วโมงหนึ่งละแต่พวกเรากลับข้างหนึ่งชั่วโมงเรารู้สึกตัวห้านาทีวันหนึ่งเราพานาได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งมองโลกแง่ดี มีความสุขได้นะเนี่ยวันนี้ภาวนาได้ชั่วโมงละนะเวลาเล็กๆนะไม่กี่นาทีเราอย่านึกว่าไม่สำคัญนะเพราะเราทิ้งเวลาบ่อยครั้งหนึ่งห้านาทีสามนาทีอะไรนวันๆหนึ่งนเยอะมากเลยหลายชั่วโมงหักเวลาใจลอยออกไปด้วยจะเหลือวันหนึ่งรู้สึกตัวสักชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่นะ ถึงไหมใครว่าหากเวลาใจลอยออกนะหรือเวลาชิดนอนชิ้นะี่มีเวลาที่รู้สึกกายรู้สึกใจอะไรเงี้ยได้สักชั่วโมงไหมใครได้ชั่วโมงโยกนิดมีไหมมีหนึ่งสองสามโอ้ดีมีตั้งสี่ห้าคนเนะ่ยจากสามร้อยหลงพ่อตอนเป็่นโยมนะพ่อนาจริงนะ ตื่นมาเนี่ยจะเห็นจิตขึ้นจากผวังเคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนเว่อรู้สึกตัวปุ๊บนะยังไม่มีร่างกายนะขยับที่1เนี่ยปุบออกไปจะมีความรู้สึกขึ้นมาขยับปุบออกไปร่างกายก็ปรากฏนะจะทําอะไรก็ค่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแต่ถ้าเหนื่อยนะพักเลยพักก็พักจริงๆไม่พักสเปะสปะมีซื้อนังสือกระตูนมานั่งอ่านก็เคยทํา ถ้าการะตูนออกแล้วก็ไปซื้อมาไว้วันไหนเหนื่อยมากๆก็ไปนั่งอ่านการะตูนครึ่งชั่วโมงก็จบละได้พักผ่อนละคราวนี้จะนั่งสมาธิจะอะไรก็ทำง่ายถ้าใจเราเหนื่อยมากๆฟุ้งมากๆนะจะไปเค้นมันนั่งสมาธิไม่ลงง่ายหรอกสู้กันนานเหนื่อยอเปล่าเดี๋ยวจะท้อใจนะเราปรับจิตให้เราสบายให้รีแลกซ์สหน่อยหนึ่งนะแล้วพอไปนั่งนะแป๊บเดียวก็สงบลนะ แม้มันมีเทคนิคเยอะนะงั้นเวลาที่เราชิดอะไรหนักๆมาแล้วนะอยู่ๆจะมาดูเนะี่ยดูไม่ไหวแล้วคารวาดนะด้วยอยา่าพลาแต่อย่าไปทำสมาธิเลยทำสมาธิก็ไม่ไหวก็หาวิธีพักผ่อนให้รีแลกซ์นิดนึงที่มันไม่ยั่วกิเลสมากเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเก่งมากเลยจีเนียสมากเลยอยู่เรียนอยู่อเมริกา เรียนจบแล้วก็อู้อยู่ปี2ปีนะมีเงินกลับมาเป็นร้อยล้านเลยทำงานเก่งเครียดมากเลยเครียดมาหาหลวงพ่อในหะ้แก้ไม่ตกนั่งสมาธิก็ยังนั่งไม่ได้หรอกหลวงพ่อเลยถามว่าชอบทําอะไรมีงานอดิเรกอะไรชอบทําอะไรชอบฟังเพลงคลาสสิกออบอกไปฟังเพลงก่อน เราไปฟังเพลงนะสบายใจพะสบายใจนะหัดมาภาวนาแป๊บเดียวนะก็สงบละเพราะมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเนยะมันต้องมีเทคนิคนะใจกำลังเชี่ยวกลากเลยแล้วอยู่ๆจะไปนั่งให้สงบเนี่ยมันไม่ลงหรอกอันนี้สอนสําหรับคารวานะนะพระมีเวลามากในการปฏิบัตินะห้ามเอาอย่างคารวานะพระต้องภาวนาทั้งวันสิ่งคารวะทามาหากินทั้งวัน เวลาที่เหลือก็ยังทิ้งไปเปล่าๆนะก็ไยอย่าอย่าไปทิ้งมันนะเก็บเล็กเก็บน้อยทําไปแต่ถ้ามันเหนื่อยจริงๆอะพักเลยพักสัก่อนให้จิตใจผ่อนคลายแล้วค่อยเริ่มภาวนาจะง่ายจิตใจกําลังเชี่ยวกลากเลยนะเหมือนน้าเชี่ยวอยู่ๆเพจให้มันเรียบร้อยนะมันไม่ไหวหรอกเหนื่อยพอเหนื่อยมากๆก็เข็ดทีหลังไม่กล้าปฏิบัติ ถ้ารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะแต่ไม่ใช่ตามใจกิเลสนะอย่าง ก, ก็เนี่ยจิตใจ ย, ยังเครียดอยู่ขอพักผ่อนแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งก็ยังเครียดอยู่ขอพักผ่อนนะทุกคราวที่คิดถึงการปฏิบัติก็เครียดขึ้นมางั้นต้องพักผ่อนก <c oughs> ็เลยไม่ได้ปฏิบัติสักทีนะสู้เอานะหล <c oughs> วงพ่อนะกระทั่งเมื่อก่อนขึ้นรถเม์นะทางานใหม่ๆ เป็นข้าราชการผู้น้อยขึ้นรถเมย์ไปทำงานเนี่ยรอรถเมย์ก็ได้ภาวนาละรถเมย์สมัยก่อนนะมาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็ได้ภาวนายืนอยู่พิป้ายรถเมย์นะเพื่อนเยอะเลยคนเยอะแยะรอรถรอรถรถไม่มานะใจกระสับกระสายรั่วกระสับกระสายง่ายๆแค่นี้องรถมาว้ยว่างด้วยดีใจไม่จอด มันไม่ชอบจอดมันถึงว่างใครเคยเจอไหมรถเมยว์ว่างๆมันไม่จอดแล้วถ้ามันจอดบ่อยมันไม่ว่างหรอก <c oughs> เห็นรถเมย์ว่างดีใจผ่านชุบรู้สึกไง <c oughs> จิตโกรธนะรู้ว่าโกรธนี่ฝึก อ, อย่างนี้เลยนะขึ้นรถเมย์ได้โหนไปเกาะรถเมย์ได้ทีแรกก็ดีใจแล้วเคลื่อนไปโหนไปนานๆมันเมื่อยนีใช่ไม เมื่อไรจะได้นั่งสักทีเนี่ยพอได้นั่งนะพออย่างชั่วได้นั่งแล้วอ้าวพระขึ้นมาอีกแล้วไม่อยากเห็นเลยเนะนี่ยได้ภาวนาเยอะเลยเห็นไหมยืนไปยืนไปได้นั่งก็ดีใจนะพระขึ้นม า, าไม่น่าเลยได้ทำบุญในเช้าเลยไม่อยากทำก็รู้ทันใจเห็นสาวๆอยู่ริมถนน ใจเป็นชอบเราไม่ใช่ตุดเนี่ เ, เห็นสาวสาวใจเป็นชอบเราก็รู้สึกว่าชอบไม่ใช่ต้องอุเบกขาเห็นสาวสาวสวยๆนะนี่แหละถุงหนังใบหนึ่งนะมีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารูรูรั่วเล็ ก, ลกๆนับไม่ถ้วนมีของโศโครกไหลออกมาเป็นไม่ได้ทําแบบนั้นเลยนะเห็นสาวสวยใจเป็นชอบรู้ว่าชอบนะไม่ได้กลัวว่ามันจะชอบด้วยเราไม่ผิดศีลเท่านั้นแหละนะชอบใครก็ได้นะแต่อย่าให้ผิดศีล แต่ว่าชอบแล้วให้มีสติรู้ว่าชอบถ้าชอบแล้วไม่มีสติมันจะขาดศีลง่ายๆเลยนะไปถึงที่ทํางานมาทันเวลาแค่นี้ก็ดีใจแล้วรู้ว่าดีใจแ mm hmm. ม้แค่ขึ้นรถเมย์นะตั้งแต่ขึ้นรอรถเมย์จนลงอย่ารถเมย์เนี่ยจิตเปลี่ยนไปทั้งเยอะแยะเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงปกติซื้อของชอบมีของแถมใช่ไหมเคยเจอรถเมย์แถมไหม <ś ś <n ion ie> ชื่นใจไหมโอ้แถมมาสามป้ายเหมือนวเล่าเสียงดัง <ś n ion ie> แล้วเมย์แถมนะโมโหนะโอ้โมโหรู้ว่าโมโหนี่แหละภาวนาเนี่เรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะกินข้าวนะอยากกินอันนี้รู้ว่าอยากนะส่วนจะกินไม่กินถ้าดูเหตุผล ไม่ใช่ว่าอยากกินจะต้องอดนะอยากกินมันหิวอยู่ก็กินเท่านั้นเองง่วงนอนก็นอนแต่ถ้าขี้เกียจไม่นอนง่วงกับขี้เกียจไม่เหมือนกันง่วงเป็นเรื่องทางร่างกายขี้เกียจเป็นเรื่องทางใจนะเพราะฉะนั้นถ้าง่วงนอนเราก็นอนแต่ถ้าขี้เกียจไม่นอนถ้าหิวเรากินนะถ้าตะกละเราไม่กินเราใช้ชีวิตยังมีเหตุผล นี่และฝึกกรรมฐานนะถ้าพวกเราละเลยการปฏิบัติในชีวิตประจําวันแล้วก็โอกาสได้มรกผลในชีวิตนี้ยากมากเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตประจําวันนี่แหละชีวิตส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่ในห้องพระไม่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมชีวิตส่วนใหญ่ก็เดินไปเดินมานะนั่งโน่นนั่งนี่ทำโน้นทํานี่ไปได้มีสตนะิรู้ความเปลี่ยนแปลงรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆ กลางวันนะหลวงพ่อกินข้าวเสร็จนะจะเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมก็คือเดินออกไปวัดใกล้ๆที่ทํางานช่วงแรกทํางานอยู่ในธรรเนียบกินข้าวเสร็จนะเดินไปวัดโสมนัสวิหารบ้างวัดเบญจมร์บอพิษบ้างเดินไปไหว้พระหน่อยเดียวนะก็กลับถ้าวัดเบญจฯเนี่ยนะก็เปิดบสถทุกวันไหว้พระชินราชได้หน่อยแล้วก็กลับไปเดินดูพระรอบๆ ร, ร, ระเบียงมีพระสวยๆเยอะ เนี่ยเสร็จแล้วไหว้พระหน่อยหนึ่งก็เดินกลับนี่แหละเดินจงกรมทําไมไม่เดินอยู่ในทําเนียบเดินไม่ได้เดี๋ยวนายเห็นเรียกไปทํางานแกไม่รู้เวลาหรอกไม่สนใจเวลาเวลาพักเวลาอะไรไม่สนนี่ปฏิบัตินะปฏิบัติ ด, ดูเดินมากเลยแต่วันนี้เหนื่อยเต็มทีแล้วเดินไปไม่ไหวก็เข้าห้องสมุดอ่านพระไตรปิฎก เวลาอ่านพระไตรปิฎกนะจะหยิบพระไตรปิฎกภาษาไทยหนึ่งเล่มภาษาบาลีหนึ่งเล่มเอามาวางแล้วก็อ่านอ่านมันสองฉบับเนะี่อ่านเลยรู้เลยแต่แปลไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะแต่ที่แปลดีๆก็เยอะทีแปลไม่ดีก็เยอะบางทีบางศัพท์ก็ไม่แปละมานะพระไตรปิฎกฉบับหลงัลงๆพยายามแปลทุกคําปรากฏว่าไม่ดีสิ่ง ถ้แปลแล้วมันไม่ได้ใจความของศัพท์คํานั้นอย่างคําว่าโยนิโสมนัสิการเนี่้จะแปลว่าอะไรโยนิโสมนานัสิกานะถ้าใจปิดดกฉบับหลังๆนี่มาแปลคิดอย่างแยบคายทาุมันก็ไม่รู้เรื่องอนะ่ะให้ไปคิดเอาคิดอย่างแยบคายถ้าจะแปลให้รู้เรื่องก็ต้องคิดโดยมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานนี่ไปหนักเข้าไปอีกเอาโยนิโสมนานัสิการอยู่แล้วกัน หายง่วงยังหายง่วงแล้วจิตตอนนี้เป็นยังไงเห็นไหมว่ามันเริ่มนิ่งพอหลวงพ่อถามปุ๊บมันนิ่งเลยทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะหันไปจ้องใส่มันเนี่ยการดูจิตนะถ้าเมื่อไหร่จงใจดูช่จะนิ่งไปเลยไม่มีอะไรให้ดูดงนั้นการดูจิตไม่เหมือนการดูกายร่างกายเนี่ยดูมันได้เลยรู้รู้สึกเข้าไปตรงๆได้เลยแต่ดูจิตเนี่ยนะคอยแอบชําเลืองรู้ความรู้สึกนะ อย่างตอนนี้เมื่อกี้มีความสุขรู้สึกไหมตอนนี้ความสุขน้อยกว่าเมื่อกี้ใจชักจะเป็นอุเบกขาแล้วถัดจากนี้จะเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าเริ่มเข้าธรรมมะและ้วถ้าเล่านิยมนิยายไปโอ้ตาแปว๋วแปว๋วหน้าเอ็นดูพอนะ ถ, ถึงเนื้อหารธรรมมะก็อาหารเป็นพิษนะตาปลือมนะไปฝึกกอานะทำให้ได้สามอย่าง หรักษาศีล5ข้อ2ทําในรูปแบบทําให้ได้ทุกวัน10นาที15นาทีก็ต้องทําำอย่าให้ขาดจะเป็นจะตายจะทำให้ได้นะจะทําทให้เราได้พลังจิตเราจะมีพลังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆการทําในรูปแบบถามว่าทําอะไรบ้างเริ่มต้นไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยก่อนจะชคมวยก็ต้องไหว้ครูนะเราก็คิดถึงครูของเราคิดถึงพระพุทธเจ้านะ คิดถึงพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ว่าไปไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็มาปฏิบัติการทําในรูปแบบก็คือการตัดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปก่อนมาทํางานทางใจเป็นหลักนะถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยแล้วแต่ว่าทวารหนรับอารมณ์ก็รู้ทันเอาแล้วก็ความรู้สึกอะไรเกิดที่จิตก็รู้เอานะแต่การทําในรูปแบบเนี่ยคล้ายๆ ล, ลดภาราตัวอื่นลงไปคอนเซนเทรตหน่อย ถ้าวันไหนฟุ้งซ่านมากทำความสงบวันไหนสงบดีแล้วนะจะสงบจะนิ่งอย่างเดียวเลยค่อยๆถอยออกมาเป็นคนดูค่อยรู้สึกไปร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูเนะี่ยถ้ามันฟุ้งมากทำความสงบไปพุโทโธไปหายใจไปไม่ต้องตั้งตัวรู้อะไรหรอกนะให้มันสบายใจซะก่อน พอมันสงบพอสมควรแล้วค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูะหรือร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูถ้าเดินจงกรมก็ร่างกายมันเดินอยู่ใจเป็นคนดูนี่ทําในรูปแบบนั่งก็ได้เดินก็ได้นะอิริยาบถนอนเนี่ยยกเว้นไว้ก่อนถ้าชํานาญจริงทําได้นะหวงพ่อเ น, นี่ยนอนสบายมากเลยนะนอนบางวันนะนอนกรดดิกเท้าด้วยนะนอนกดดิกเท้าทําไมก็ปฏิบัติหนะเราจะเดินจงกรมทั้งตัวเราก็เมื่อยนะเราก็ขยับไปขานะ มันมีสตินะค่อยๆฝึกทําในรูปแบบนะจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้อย่าเพิ่งนอนนะถ้านั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้ใจจะได้เป็นคนดูได้ตัวรู้ขึ้นมานหรือใจแอบไปคิดรู้ทันใจแอบไปคิดรู้ทันก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมาน <S <S 1> <arc> 1> ก็ค่อยๆสังเกตไปพอมีตัวรู้ใจตั้งมามเราก็ดูไปร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจิตใจมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะ งั้นมันเริ่มทําได้ตั้งแต่ทําสมถะนะแล้วฟุ้งมากก็ทําสมถะถ้ามีแรงขึ้นมาหน่อยก็มาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตตั้งมั่นแล้วก็มาแยกธาตุแยกขันธ์ซ้อมแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าธาตุขันธ์เราแยกอยู่แล้ววันนั้นพอไหว้พระเสร็จธาตุขันธ์ก็แยกแล้วเห็นร่างกายนั่งคุกเข่าพนมมืออ้าปากแง้มแงๆมแง้มใจเป็นคนดูมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะไหว้พระเสร็จลงนั่งเนี่ยดูขันธ์มันทํางานไปเลยจเจริญวิปัสสนาเลย เห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าเห็นร่างกายนั่งร่างกายยืนไม่ใช่เรานั่งเรายืนนะเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจในกายมีสุขมีทุกข์ในใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันนะความสุขเกิดขึ้นในกายก็รู้ความทุกข์เกิดในกายก็รู้ส่วนใหญ่ก็ทุกข์นะนั่งไปเรื่อยๆก็เมื่อย พอเมื่อยก็อย่าเพิ่งขยับนั่งไปก่อนก็จะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยเข้ามาทีหลังความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายมาทีหลังร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนแล้วจิตเนี่ยเป็นคนดูจิตกับความเมื่อยก็เป็นคนละอันกันพอเมื่อยมากๆเราไม่ขยับนะจิตชักจะกระสับกระสายความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายแต่ความกระสับกระสายอยู่ที่จิต จิตแต่เดิมไม่ได้กระสับกระสายเพรา ะ, ะนั้นความกระสับกระสายกับจิตนี่ก็เป็นคนละอันกันหัดแยกอย่างนี้ไปเรื่อยนะสุดท้ายเราจะแยกขันเป็นแยกขันได้เราจะเห็นได้ร่างกายเขาอยู่อันหนึ่งนะความสุขความทุกข์ก็อยู่อีกอันหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วนะเช่นความกระสับกระสายของจิตนี่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะหรือเป็นความเล่าร้อนใจกังวลใจอุ้ยนั่งมานานแล้วเนี่ยนั่งมาตั้งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวใกล้จะพิการนะเดี๋ยวจะเดินไม่ได้อะไรเงี้ย ไม่จริงหรอกนะยังไม่เคยเห็นใครนั่งสมาธิแล้วเดินไม่ได้สักไรไมื่อเห็นใครพิการเพราะปฏิบัติเลยเนี่คยค่อยๆหันแยกนะน่าจะเห็นในขันแต่ละขันนะเขาสแสดงใจรักณเนี่ยการทําในรูปแบบนะไม่้พระสวนมนต์ตอนไหนวันไหนฟุ้งซ่านทําความสงบสงบแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วหันแยกธาตุแยกขันถ้าธาตุขันแยกแล้วดูใจรักของธาตุของขันแต่ละอันแต่ล้านไป นะตัวไหนเด่นก็รู้ตัวนั้นอนะ่ะไม่ใช่จงใจว่าจะดูกายหรือดูจิตนะตัวไหนเด่นเอาตัวนั้นเลยนะถัดจากนั้นหมดเวลาแล้วที่จะทําในรูปแบบเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจําวันนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกใจเราเป็นแค่คนรู้สึกแค่รู้สึกถึงร่างกายนะแค่รู้สึกถึงจิตใจไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแค่รู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นตัวนี้แล้วตัวอะไรเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุกระดุกกดิกได้ไม่ใช่เราสักหน่อยจะยดูจิตดูใจอย่าไปจงใจดูถ้าจงใจดูมันจะนิ่งนิ่งว่างๆไม่มีอะไรให้ดูถ้าจะดูจิตเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะให้มันกระทบเพื่ออะไรอย่าไปกลัวถ้ากระทบแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตนะค่อยรู้เให้มันเกิดไปก่อนแล้วค่อยร่วง อ, อย่าไปรอดู อยู่ๆจะดูจิตปุ๊บก็ไปรอดูว่าไม่ไรจะมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีอะไรนอกจากว่างนะงั้นจะไปเอาว่างนะพระเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตานุ ป, ปั ส, สนาสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมไม่มีหรอกนะมีแต่กายานุ ป, ปั ส, สนาเวทนานุ ป, ปั ส, สนาจิตานุ ป, ปั ส, สนาธรรมานุ ป, ปั ส, สนาสุญญาตานุ ป, ปัสศนาไม่มนะีงั้นจะไปเอานิ่งๆว่างๆนะงั้นการดูจิตเนี่ยอย่าไปจ้องใส่มันนะ ชำเลืองชำเลืองแอบดนะูดูเป็นระยะระยะอย่าดูตลอดไว้มีความรู้สึกอะไรที่ชัดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอาแรกๆเนี่ยต้องเป็นความรู้สึกที่รุนแรงก่อนเช่นโกรธแรงๆถึงจะรู้ว่าโกรธนะต่อไปพอชํานาญขึ้นขัดใจนิดหน่อยก็รู้ว่าขัดใจแล้วนะต่อไปจิตขยับตัวคลิกเดียวก็เห็นเลยนะจะค่อยละเอียดขึ้นเองใหม่ๆได้แต่ของหยาบก่อนไม่เป็นไร นะเอาของหยาบส่วนของหยาบเกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกหยาบหยาบเกิดขึ้นในใจเรารู้เอาต่ไปมันค่อยประนีตประนีตขึ้นนะหลวงพ่อก็หันมาอย่างนั้นนะเชิญท่างนะก่อนจะบวชนะจิตมันไวมากเลยอย่างเราอยู่ในห้องเนี้เราเปิดประตูห้องออกไปปุ๊บแสงแดดนะกระทบเปลือกตาแดดไม่แรงมากด้วยนะกระทบเปลือกตานีดเดียเห็นความขัดใจจะเกิดขึ้นแล้ว เนี่ยแสงแดดแยงตาขัดใจนะพวกเราก็เป็นเราเห็นม้างไหมแสงแดดแยงตาแวบเดียวนะไม่ใช่แยงอยู่เงี้ยไอ้แยอย่าง น, งางนี้ใครๆก็ต้องขัดใจแหลนะแสบหูแสบตาเนี่ยแค่แดดแสงกระทบตาแวบเนี่ยนะขัดใจแล้วนะแล้วนะค่อยๆฝึกนะจนมันมันวัยกิเลสเล็กกิเลสน้อยนะั้นมันเห็นหมดเลยนะสตรีมจะไวขึ้นวัยขึ้นค่อยฝึกไปต่อไปปัญญามก็แก่กล้านะกิเลสตัวเล็กตัวใหญ่นะเหมือนกันหมดนะเกิดแล้วดับ สุขทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีชั่วเกิดแล้วก็ดับอะไรใดเกิดแล้วก็ดับรูปอย yes. ่างนี hmm. ้เกิดแล้วก็ดับรูปอย่างนี้เกิดแล้วก็ดับเช่นรูปหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับรูปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตไปรู้อารมณ์ทางตาแล้วก็ดับรู้อารมณ์ทางหูแล้วก็ดับรู้อารมณ์ทางใจแล้วก็ดับเห็นอยู่อย่างนี้นะสุดท้ายมันก็แจ้งเห็นแจ้งนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ ถ้าเข้าใจตัวนี้ก็จะได้ธรรมะหรอกจะรู้อะไรมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับอะไรเกิดอะไรดับรูปประธรรมเกิดรูปประธรรมดับนามประธรรมเกิดนามประธรรมก็ดับนะมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสันไม่มีเราไม่มีเขานะได้ธรรมะชาตินี้อย่างน้อยตรงนี้ต้องได้นะใช้เวลาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจปีสมัยพุทธกาลเจดวัน7เดือนเจ็ปีเขาเป็นพระอรหันต์หรือพระนาคาเรา7็วันเ็ดเดือนเจ็ดปีเอาโสดาก็ยังดีนะ แต่อย่ามาอ้างว่าภาวนามาห้าปีแล้วยังไม่ได้เลยห้าปีแล้ววันหนึ่งรู้สึกตัวได้ไม่ไม่นับไม่ถึงชั่วโมงเลยอย่างนั้นเวลาที่ภาวนานินดเดียวเลยน้อยพยายามให้มันภาวนาได้ทีๆนะพยายามให้ทีๆไปเอาต่อไปใครอยากกลับบ้านก็เชิญนะก็ใครจะส่งกันบ้านว่ามาให้พวกอยู่วัดกันนวัต ก, การครับ มาอยู่วัดแล้ววันนี้มันจิตใจมันฟุ้งซ่านน้อยกับเมื่อวานครับมันอยู่กําเนื้อกับตัวแต่ไม่มันไม่ถึงฐานอะไรย่าครับดีแค้รู้ไปมาวัดมาแรกๆจะหวังสงบมวังจะดีไม่ไม่ได้หรอกครับเราอยู่กับโลกข้างนอกโลกข้างนอกฟุง้งซ่านคล้ายๆเหมือนรถยนต์นะวิ่งมาเต็มเหนี่ยวเลยเครื่องดับมันก็ยังวิ่งอยู่ เราเข้ามาอยู่วัดแนละ้วเหมือนเครื่องยนต์ดนะับแล้วมันก็ต้องวิ่งอีกหน่อยพนอะ mm hmm. หมดแรงวิ่งหมดแรงผลักจากกิเลสภายนอกใจค่อยสงบค่อยสบายครับแล้วก็จะถามเรื่องอย่างบางทีอยากจะแผ่เมตตาแต่ใจมันไม่น้อมครับบางทีมันทื่อๆมันรู้สึกไม่เย็นไม่สบายแผ่ไม่ออกเร า, ร เ, ราเรานึกถึงคนที่เรารักก่อนอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยเรารักนะสมมตินะคนนี้ตายไปแล้วเอาแผ่ คนนี้ยังไม่ตายก็ตามมันก็แผ่ได้นะแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ส่วนบุญเนี่ยแนึกแผ่นึกถึงแผ่ให้คนที่เราชอบก่อนนะแล้วต่อไปก็แผ่ให้คนที่เป็นกลางกลางแล้วขั้นสุดท้ายมึงจะแผ่ไม่มีประมาณได้ขอบคุณครับแผ่เมตตาเนี่ยปกติเขาจะแผ่ให้ตัวเองก่อนนี่เป็นความฉลาดของคนโบราณนะให้แผ่ตัวเองก่อนดูตัวเองเป็นสัตว์ตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยอุบายสูงนะไม่ใช่ธรรมดาเลย ดูมันเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งท่านเหมือนเหมือนคนคนอื่นน่ะเราแผ่ให้มันก่อนไอ้ตัวเนี้ยทําไมต้องแผ่ให้มันก่อนว่าตัวนี้รักที่สุดเลยรักมากกว่าสาวสักคนที่เราไปบอกเขารักเธอที่สุดในโลกถ้าพวกเราจําไว้นะใครมาบอกเราว่าเขารักเราที่สุดในโลกชีห้หน้าเลยอีกโกหกพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่รักต้องรักตัวเองที่สุดนั่นแหละโกหกอย่าเชื่อมันนะมันโกหก ยังไม่ค่อยถึงฐานใครยังไม่ค่อยตั้งมัม่นค่ะมีคําถามนี่เนะี่ยหลวงพ่อเมื่อวานอก็ดูร่างกายไปแล้วก็ฝนตกฟ้าร้องอร่างกายมันเกรงขึ้นมาทันทีอันนี้นี่คือเราปรุงความโกรธขึ้นมาแล้วแล้วเรามองไม่เห็นหรือว่ามันเป็นร่างมันเป็นความกลัวไงมันเป็นความกลัวของจิตนะมันหวงร่างกายมักลัวเร็วมากดูไม่ทันนี่ไงรูป รูปตัวเนี้ยเป็นจิตตะชรูปนี่พูดกับนักอภิธรรมง่ายอย่างนี้แหละพูดศัพนทีเดียวรู้เรื่องเลยะลนะการนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้หนูอยู่กับพุโทโธเยอะแล้วหนูก็เห็นความให่ของแสงและของภาพอยิบยับแต่มันมีความสุขพร้อมกับคำความกลัวกับสังสารวัตนะคะก็ดีแล้วล่ะขันมันค่อยแยกบ้างแล้ว เคยเห็นไหมว่าใจเราเด๋ยนนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันนะขันมันแยกเป็นละใค่อยๆดูไปเรื่อยจะเห็นเนี่ตัวนี้ไม่ใช่เราละค่อยดูไปเรื่อยใจมันก็ทํางานได้เองมันจะกลัวหรือมันจะชอบมันจะเกลียดอะไรมันก็ทํางานของมันได้เองนะดูซ้ําๆไปทําถูกละกลาวนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูฟังฟังซีดีหลวงพ่อและปฏิบัติมาประมาณปีกว่าค่ะโดยใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วก็ ได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นยกยกใหม่อย่างนี้ยกใหม่ตั้งๆไม่ต้องพนนมือยกยกยกกว้างๆเออค่ะได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นทุกวันอย่างนี้ค่ะหนูไม่ทราบว่าหนูเดินมาถูกทางถูกสิศีล <c oughs> ดีขึ้นไหมค่ะดีขึ้นค่ะเออแน่ถูกทางแน่นอนละค่ะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยขึ้นไหมดีขึ้นโอ้นี่อยู่ในทางแน่นอนเห็นไหมร่างกายกับใจเป็นโคนละานค่ะเออที่ถูกหนักเขาอีกแล้วจะสงสัยอะไรอะ อยากทราบว่าต้องต้องแก้ไขและเจริญต่อไปอย่างไรทไําไปเอง <Okay. S 2> ทําอย่างนี้แหล ะ, ะกราบครบทุกคนแล้วค่อยคอยรู้ทันเวลาจิตมนันหนีไปจิตมันไม่ค่อยเข้าบ้านให้ค่อยรู้ทันกนะราบน้ำมศกาลหลวงพ่อคะ่ะหนูได้ฟังทมเทศนาของท่านวันที่ยีิบสามธันวาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เลยตัดสินใจมาไปะเะ็เข้าคอสในครั้งนี้แต่หลังจากหนูก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าหนูค่อนข้างจะมีความเพียรค่อนข้างน้อย แต่ว่าหนูอยากได้แนวทางในการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นที่ถูกต้องที่ถูกต้องอนะคะแล้วก็สิ่งที่หนูได้ฟังซีดีเนี่ยหนูสงสัยว่าอย่างบางครั้งอ่ะเวลาเราปฏิบัติเรารู้หรือว่าเราคิดว่ารู้อืมสิ่งเนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าหนู<อ>แยกแยะค่อนข้างจะลาบากโอ้ยง่ายมากเลยค่ะให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เอาปัจจุบันเลยสวย่วนในที่ว่ารู้หรือไม่รู้นั้นเป็นอดีตไปแล้วช่างมันเอาปัจจุบันไว้เราไม่พลาดนะค่ะคือเรางัสงสัย รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่รู้ตรงนี้เลยน ะ, ะอานนท์นไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยอะไรแล้วถ้าฝึกตัวนี้มากๆอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้ทันรู้ทันเรื่อยนะต่อไปไม่สงสัยเราการู้หรือคิดเอาค่ะและอย่างการปกติอย่างเวลาเราทำเนี่ยเป็นสมถกรรมาฐานใช่ไหมครับหนูคิดว่าตัวหนูค่ะก็คือเคยแบบเหมือนสมถะมาไม่เฉพาะหนูหรอกนะไม่ว่าใครก็ตามส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยคือสมถะนะมีปรัสนาเนี่ยจะขึ้นมาทําเป็นช่วงๆเท่านั้นแหละ ไม่ทําวิปัสนาตลอดหรอกเพราะฉะนั้นที่ใครบอกทํำวิปัสนาหนึ่งชั่วโมงอะรู้เลยว่าทําไม่เป็นหรอกอ๋อค่ะวิปัสนาเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เห็นรูปนามอย่างเราเห็นท้องพองท้อ ง, องยุบอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะยังไม่ได้ทําวิปัสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตใจถึงจะเป็นวิปัสนาแม้ช่วงที่มันจะมารู้สึกถึงความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใ จ, งใจสั้นนิดเดียวงั้นวิปัสนาจริงๆมีไม่บ่อยหรอกส่วนใหญ่จะเป็นสมถะ ประคุณค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อโยมเคยส่งกันบ้านเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นและไม่ถึงฐาน อ, อยู่นอกบ้านโยมโยมก็ใช้การเจริญสติให้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นทุกวันแล้วก็ช่วงหลังนีโยมเห็นมันเกิดดับ เกิดเกิดดับจากอาการทางกายนะคะแล้วก็เห็นเห็นช่องว่างระหว่างการเกิดดับด้วยว่ามันมีช่องด้วยก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็2วันที่ผ่านมาก่อนมาเข้าคอร์สเนี่ยโยมจิตไม่ยอมนอนค่ะสองวันละแต่พอไปทํางานก็สดชื่นแต่พอมาอยู่ที่หิงห้อยนี่ก็หลับหลับดีหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้นี่โยมมาถูกทางหรือเปล่า มาถูกแล้วมาวัดถูกก็ถูกแล้วให้คอยรู้ทันไปนะถ้าจิตฟุ้งสั้นก็รู้ว่าฟุ้งสั้นนะถ้าหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ี่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตเรื่อยๆดะงั้นจิตมนจะเข้าบ้านพอจิตเข้าบ้านแล้วเนี่ยเราก็พุโทโธไปหายใจไปตามเดิมนั่นแหละก็ค่อยเห็นร่างกายมันหายใจเห็นจิตใจมันเป็นคนท่องพุโทโธนะ เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เฉยๆเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านว่าพุโทโธไปแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปหรือหายใจไปก็เห็นร่างกายมันทํางานไปใจเป็นคนดูไปนะถ้วฝึกอย่างนั้นแหละใจหนีไปคิดแล้วหลวงพ่อเทศอยู่ที่นี่หนีออกไปข้างนอกไหมให้รู้ทันนะเนี่ยรู้ไปเรื่อยไม่บังคับนะหนีได้นะไม่ใช่ว่าห้ามหนีถ้าห้ามหนีเนี่ยจะเครียดเกินไปแต่ถ้าหนีไปแล้วไม่รู้เนี่ยหย่อนไปอันหนึ่งตึงไปอันหนึ่งหย่อนไปนะ ถ้าหนี้เรารู้เนี่ยพอดีเป๊ะเลยนับสการค่ะอืมอที่ปฏิบัติมาถูกทางไหมคะถูกต้องอไป<ม><ด>ทำ อ, อีกนา ะ, คะเครื่องอยู่ค่ะเครื่องอยู่อยู่ที่ตัวเราเองเอากายของเราเป็นเครื่องอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเป็นรู้สึกเห็นไหมเครื่องอยู่เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมอยู่กับมันต่างหากอย่างโยมนี่ต้องอร่างกายกระดูกกระดิกไว้รู้สึกไว้ ถ้าให้ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวจะหลับไปจิตถึงฐานหรื อ, อยังคะ อ, อย่าถามดีกว่า <S <S> ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะมันก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างอ่ะบางทีก็แยกกอารมณ์บ้างบางทีก็จับเข้าไปในอารมณ์บ้างเห็นไหมละ่ะเออนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละถึงมันก็ถึงชั่วคราวนะอหลุดก็หลุดชั่วคราวไม่เป็นไรไม่ถึงตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้จิตถึงฐานตลอดเวลามันภูมิธรรมของพระอน า, าคานะนั่นแหละยังไม่ถึงหรอก ขอการในมัสการเจ้าค่ะโยมฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสองปีค่ะก็รู้สึกความเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงมากค่ะคือโยมเมื่อก่อนนี้ก็อโกรธโกรธโกยใไปแต่ก็เดี๋ยวนี้โกรธห่างไปเจ้าค่ะใช่ดีขึ้นนะเวลาโกรธนะมันเหมือนไฟเผาตัวเองเนาะแต่ก่อนไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้ละ แต่โยมมีพื้นฐานเดี๋ยวนี้ก็เบิกบานขึ้นเจ้าค่ะไม่รู้ว่าจะจะดีหรือว่ายังไงสิภาวนาเป็นก็สบายขึ้นนะเจ้าค่ะไปทำอีกทำถูกแล้วล่ะเห็นไหมกายกับใจมันก็เริ่มแยกกันสะาจ้ะโยมก็เห็นเวลาโยมมือผมสามผมอย่างนี้นะคะมันไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เหมคก็ดูดูมันไปใช้ไคะนั่นแหละดูอย่างนั้นนะต่อไปเนี่ย พอใจมันยอมรับได้นี่มันไม่ใช่เราแล้วละ่ะถ้ามันจะแก่นะมันไม่ใช่เราแก่นะมันจะเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะมันจะตายไม่ใช่เราตายแล้วนี่เราไม่เดือดร้อนกับมันแนละ้วสบายโยมีบุญที่ได้ฟังหลวงพ่อเจ้าค่ะจริงมีบุญไม่มีบุญไม่ได้ฟังธรรมะรแล้วบุญเรามากกว่านั้นอีกถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติบุญเก่านะทําให้ได้ฟังธรรมบุญใหม่ก็คือปฏิบัติต่อยอดเราเจนาะขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะเอ ครับนมัสการค่ะหลวงพ่อเออค่ะหนูรู้สึกว่าจิตยังไม่ค่อยเข้าฐานนะคะสมาธิหนูไม่พอหรือเปล่าคะทำกิจกรรมเยอะหรือเปล่าล่ะมีกิจกรรมเยอะบ้างหรือภาวนาเยอะก็พอสมควรค่ะนะถ้าเราใส่ใจนะเราก็คอยดูคอยรู้ไปทั้งวันนะที่ภาวนามาใช้ได้นะจิตไม่ถึงฐานนะมันก็เป็นเรื่องปกติหรอกเรารู้ว่าไม่ถึงฐานเนะี่ยไม่ใช่ปัญหาลนะ้ว ก็คอยรู้ทันว่ามันไม่ถึงฐานแล้วเวลาใจมันเคลื่อนไปแล้วคอยรู้เดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาอย่าไปดึงมันมาถ้าดึงแล้วมันจะแน่นที่ทําอยู่ถูกแล้วล่ะใจไม่เข้าบ้านนิดหน่อยเท่านั้นเองหนูดูจิตอย่างเดียวเลยได้ไหมคะหลวงพ่อหรือว่าต้องไปเพิ่มเติมอะไรอีกคะดูจิตเป็นฐานไว้คําว่าฐานอย่างสติปัฏฐานนัใช้จิตเป็นฐานเนี้ยฐานไม่ใช่ดูอันเดียวนะแต่ว่าเมื่อไม่มีอะไรดูก็ดูตัวนี้เป็นหลักไว้ ร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกเองแ่ะดูแต่จิตยอย่างเดียวไม่รู้ร่างกายได้ไ ง, ง, งนี้ก็เดินตกท่อไปนาดนะยิ่งเดินพระธาตุกดแก้วนะสูงสูงต่ํต่ำนะก็ ร, ะรู้กายด้วยนะขอพุณนค่ะหลวงพ่ออย่างมาอยู่วัดหลวงพ่อเดินก็ต้องรู้ตัวนะเดี๋ยวเหยียบงูงูเยอะนะคนไม่กลัวงูนะนะไม่ค่อยมีใครไปเขียนฟซบุ๊กเฟซเรื่องงูเลยที่เนี่ยเขียนแต่เรื่องตุ๊กแกดูสิ บางคนเขาได้ยินชื่อตุ๊กแก่เขน้ำลายไหลค่ะนมัสการข่าวหลวงพ่อตอนนี้<ง>ตื่นเต้นค่ะก็อยากให้หลวงพ่อชี้แนะในการปฏิบัตินะคะ<ม>เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอาการมันจะทื่อๆะคะออ่ะโมว่าปัญหาอยู่ตัวนั้นนะถ้ามันทื่อๆโม ว, มวมัวนะลืมเรื่องปฏิบัติไปชั่วคราวกันแล้วก็ดูกล่างกายไปผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายเรื่อยๆให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมมันจะรู้ได้ชัดขึ้น ใจมันไปซึมนิ่งๆเข้าไปมันจะมัวไปแล้วให้มันเคลื่อนไหวให้จิตเราเคลื่อนไหวนะส่งจิตไปดูผมดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงในร่างกายให้จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ในร่างกายนะจิตจะหายซึมก็ใช้ในการรู้สึกตัวบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ะขอบคุณค่ะ นมาสการค่ะหลวงพ่อค่ะที่แล้วหลวงพ่อบอกให้โยมไปตามดูว่าจิตจะเป็นนางมานก็ช่างนางไม่มดก็ช่างหรือว่าดีก็ช่างให้ดูเป็นอนัตตาไปเลยนะคะโยมก็ไปตามดูแล้วก็จิตประมาณว่าเขาแบบตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็ยอมรับในตัวจริงของตัวเองได้นะคะแล้วก็นยังไม่เห็นตัวจริงหรอกนะค่ะว่าตัวจริงไม่มี <laughs> คือเขายอมรับในความที่ว่าข้างในมันไายกาที่ว่าเขาเคยกดไว้ค่ะหลวงพ่อใช่ใช่ค่ะ เรก็ยอมรับในส่วนนี้ได้แล้วก็เริ่มจะแบบจิตจะเริ่มอ่อนโยนลงแล้วก็มีความเมตตามากขึ้นเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันเป็นเองนะค่ะไม่ต้องแกล้งเมตตาเลยนั่นแหละพอเรามีสตินะใจเราเป็นกุศลนะอากุศลทํางานไม่ได้แล้วกุศลมันก็เจริญดีไปทําอีกค่ะยังฟุ้งเก่งอยู่หน่อยหนึ่งนะค่ะคือสองสาวันที่เตรียมงานด้วยค่ะหลวงพ่อก็เลยยุ่งนิดนึงค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ ตอนนี้ดูกายกับดูเวทนาค่ะแล้วก็ เ, เวทน า, าข้างนิ น, ะนะะถ้าดูกายดูเวทนาห้ามทิ้งสมาธินะทุกวันต้องทำสมถะด้วยค่ะแล้วก็การทำงานข้างในเนี่ยมันเหมือนเป็นความไม่สบายเยอะกว่าค่ะเออสังเกตดูไปเรื่อยนะต่อไปจะรู้เลยแค่จิตไหวตัวขึ้นมานะจิตไหวตัวขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดลนะ ไอ้ตอนที่เรายังพภาวนาไม่เป็นเนี่ยจิตมันไหวขึ้นมานะมันปรุงออกมาบางทีก็ปรุงเป็นสุขขึ้นมาปรุงเป็นทุกข์ขึ้นมาพอไปปรุงเป็นทุกข์เราก็ว่าไม่ดีนะปรุงสุขเราก็ว่าเป็นความสุขชอบแต่ต่อไปพอละเอียดนะมันแค่มันไหวตัวนะยังแยกไม่ออกเลยว่าสุขหรือทุกข์อะไหวนิดเดียวก็เห็นแล้วมันทุกข์เท่านั้นเลยเป็นภาระนะเห็นบ้างยังเห็นบ้างค่ะเมื่อก่อนนี่จะเห็นตอนที่มันไปข้างนอกแล้วจริตไปข้างนอกแต่ตอนนี้มันเนี่ยมันเริ่มมันพุดขึ้นมาจากตรงนี้แหละ นะไอ้ตัวนั่นเป็ น, ปนดอกเป็นผลมันแล้วนี่รากเน่ามันอยู่ที่นี่ต้องอย่าไปจ้องน ะ, ะงห้ามจ้องต้องปฏิบัติยังไงต่อคะ่ะก็แค่รู้ทันไปเรืนนะ่อยแต่ห้ามถลําลงไปรู้นะดูสบายๆดูใจเราตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยเราก็เห็นไอ้ตัวนั้นไหวๆไปแต่อย่าถลําลงไปจ้องแต่ ถ, นะถ้ามันเกิดตลอดเวลาก็ดูมันไปเกิด ต, ตลอดเวลาหลับอยู่ก็เกิดนะยกเว้นลงพวังจริงๆดับความรู้สึกจริงๆนะ แต่ถ้ายังทํางานอยู่นะจะไหวไวไหหวอยู่กันตลอดเลยมันไหวตั้งแต่ก่อนเราตื่นนอนอีกนะมันเขาเรียกว่าผวังคจารณะมันเริ่มเคลื่อนอยู่ข้างในเริ่มไหวอยู่ข้างในเป็นผวังขาจารณะแล้วก็ตัดกระแสของผวังเรียกภวังคูปัจเจ ท, ทะตัดออกมาเปิดสวารตาหูขึ้นมาเนี้ยนั้นมันไหวอยู่ข้างในเลยห้ามมันไม่ได้หรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าเห็นนะแล้วถ้ามันทุกข์มากเหนื่อยมากมันไหวทั้งวันทั้งคืนไม่เลิกหรอก ทุกมากเหนื่อยมากที่เดียวที่จะพักได้คือการทําสมถะเนั่นเองจะอยู่กับพุทโธก็ลืมไม่ไหวนี่ไปก่อนไปพุทโธทไว้อย่างเดียวให้ใจได้พักผ่อนใจพักผ่อนแล้วกลับมาดูใหม่นะเจ้ค่ะดีเห็นไหวๆดีมรสการหลวงพ่อคะ่ะเ อ, อตอนนี้มันตื่นเต้นคือจิตแม่ชีจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนขี้ขัดใจอ่ะคะ่ะหลวงพ่อแล้ว ที่มันมีปัญหาที่สุดก็คือเราไม่เป็นกลางมันไม่เป็นกลางอืรู้เยอะนี่ก็รู้อย่างที่มันเป็นแม่ชีอยากให้มันดีไหมก็มันมีความอยากให้มันนะดีพอตัญหามันเกิดแล้วมันก็จะล้นเข้ามาคือเราเห็น<ๆ>เห็นหมดทุกอย่างแต่ความคาดคั้นความคาดหวังอยากได้เนี่ยค่ะก็คือเห็นว่ามันมีเซลล์เยอะมากดีนะที่เห็นนะค่ะอย่างนั้นแหละดีแล้วขอบพระคุณมากค่ะ เร่งมันไม่ได้หรอกนะเร่งให้ผ่านเร็วๆไม่ได้หรอกค่อยเป็นค่อยไปแต่มันก็บั ง, บงคับไม่ได้หลวไม่ได้จิตมันดื้อค่ะเอาของจริงมาให้มันดูจนหายดือ้อของจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูอยจไหายดื้อเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะกรรมนวชาการหลวงพ่อค่ะ ตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ในรูปแบบด้วยนะคะก็คือจะมีนั่งสมาธิที่ดูเวทนาด้วยะคะ่ะแล้วตอนอยู่ประจําวันก็จะพยายามดูจิตอยู่เนืองๆอย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าอย่างนี้มันได้ <Bayern S 1> ไดใช่ไหมคเวลาดูจิตก็ให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาเนา ะ, ะอย่าไปดูทั้งวันไปจ้องรอดูไม่ได้เช่นมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขมีความสุขขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่ามีความสุขโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโกรธอย่าไปนนจ้อง นี่ดูเหมือนเพ่งเลยค่ะเพ่งไปแล้วแสดงว่านั่งสมาธิอย่างนี้มันนั่งนั่งนั่งได้ไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหานะนั่งได้เพียงแต่ว่ายังไม่ชํานาญนะดูกายชํานาญแล้วดูเวทนาชํานาญแล้วเห็นไหมกายมันกับใจคนละอันอ่ะมันเห็นแยกชัดเจนละคนี่ดูจิตเนี่ยยังยังดูแรงไปจงใจดูแรงไปหน่อยคดูสบายสบายเห็นไหมไม่สบาย ภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีมาสการค่ะหลวงพ่อเป็นครั้งแรกที่มาฟังซีดีหลวงพ่อสี่ห้าเดือนเออตอนนี้ปฏิบัติก็ฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจค่ะยากไหมยากไหมไม่ยากแต่พยายามปฏิบัติออตรงนั้นอยู่ค่ะในีลงพ่อสัมภาษณ์นี้เดอร์ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะรู้เรื่องอะ่ะ คือเข้าใจระดับต่าค่ะเข้าใจเลยค่ะโอ้คนนี้อัจฉริยะจริงเข้าใจแต่ว่าความที่ของเก่าตัวเองนี่ติดสมถะเอละเพ่งกับตั้งใจแล้วก็แยกแยกธาตุค่ะอืทีนี้พอจะต้องนั่งสมาธินี่จะนิ่งและรวมเป็นวงได้ไวมากเออดีดีทีนี้ทีนี้พอจะต้องมาเป็นจิตตั้งมั่นเพื่อที่จะรู้ก็รู้ในเรื่องของ ของเวทนาสุขทุกขุเบคาเสร็จแล้วก็สัญญาล้วสังขารก็จะมีมาทีละตัวโลภแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นโลภแล้วก็จะบอกว่าโลภนะอะไรอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มีงดหิดโมโหเบื่อนายอะไรอย่างนี้ก็จะรู้ทุกตัวเสร็จแล้วก็จะมีมันะมาตรวจสุดท้ายค่ะ จะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ตอนสวดมนต์ที่หิงห้อยสวดไปสว ด, ดไปตัวมันนักก็ผุดขึ้นมาออขณะสดสวนนั่นแหละออก็รู้ค่ะอืมรู้รู้เสร็จแล้วก็ตอนทานอาหารเช้านี้พอทานกําลังตักข้าวก็ความอยากเกิดขึ้นก็รู้ออใ้ไดค่ะเสร็จแล้วก็มองว่าตักอะไรทำไมมากนักนิดเดียวอะไรยังนี้ค่ะเสร็จแล้วไปทบทานก็ ทานช้าๆสิโลภมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจิตจะเตือนตลอดนะคะอย่างนั้นเหนื่อยเหนื่อยไปหน่อยเหนื่อยนะคะนะรู้สึกว่าตัวเองมันมันจะล้าตรงตรงตรงที่ตากะเราเร า, เราเปลี่ยนจากตัวเองนะ <c oughs> ตอนนี้เราเป็นผู้กำกับคอยกำกับกิจการทุกอย่างที่กายที่ใจทานะมันเหนื่อยเราเปลี่ยนมาเป็นคนดูดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แค่รู้เท่านั้นแหละค่ะ แล้วก็คําบรรยายทั้งหลายนี่แหละเป็นส่วนเกินส่วนเกินใช่ไม่จําเป็นต้องบรรยายเลยนะมันเป็นสังขารหรือเปล่าคะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตเป็นสังขารค่ะแล้วก็ก็รอให้เขาเกิดก็แค่รู้รู้แล้วก็ไม่ใส่ใจของของโยมเนี่ยมันยังติดตัวนี้อยู่นะมันยังติดการคิดอยู่ ค, คิดว่าต้องทําอย่างนี้ถึงจะถูกทําอย่างนี้ถึงจะถูกเนี่ยมันติดตัวนี้อยู่มันเลยไม่ค่อยยอมรู้อย่างที่มันเป็นหรอกน ะ, นะค่อยๆไปสังเกตนะ มันจะคอยคิดกํากับอยู่เลยควรแก้ไขยังไงครับปฏิบัติรู้ทันรู้ทันอย่างเดียวนะคะรู้ทันนะว่าเราชอบเข้าไปแทรกแซงชอบไปบงการสังเกตไม่ชอบบงการใช่ค่ะนั่นแหละแล้วมันจะลามไปบงการคนอื่นด้วยนะใช่คะโอ้ใช่ไม่หลอกหลอกหมเน่ยเรารู้ทันใจเลยเนี่ยใจนี้ชอบบงการรู้อย่างนี้เลยนะมันจะเข้าไปแทรกแซงร่างกายจิตใจเป็นทุกอย่างเลยนะเจยทําให้ไม่ได้เห็นอย่างที่เป็นจริงไปจัดการไอ้ตัวนี้ก่อน จมบงการก็พอพะเข้าบงการขึ้นมาก็รู้ว่าแค่รู้รู้ว่านี่แกบงการอีกแล้วเออแค่นี้นะอย่าไปว่าแกเร็วหรือเกินบงการอยู่ได้ไม่ต้องว่ามันให้คอยรู้ทันว่ามันชอบบงการพอรัมศการหลวงพ่อยมยมตื่นเต้นเจ้าค่ะเออดีที่รู้นะใจเต้นแรงไหมบางคนนะสับสนหรือไม่ เจอหลวงพ่อแล้วบอกว่าตื่นเต้นแล้วม่งคนก็เจอหลวงพ่อเนี่ยตั้งเยอะไม่ตื่นเต้นออที่จริงจับไม้แล้วตื่นเต้นต่างหากกลัวไม้อ่นนะนะเนอะโยมเป็นคนกลัวไม้จ้ะค่ะเนอะหลวงพ่อก็ว่างั้นเลยแล้วธรรโทษก็ตื่นเต้นเพราเจอหลวงพ่อก็เจอมาแต่เช้าไม่ตื่นเต้นถ้จับไม้ถึงจะตื่นโยมก็ภาวนาเคยส่งการบ้านหลวงพ่อมาปีที่แล้วอืออ่าโยมก็ได้ ส่งกันมากับหลวงพ่อว่าไม่มีตัวมีตนตัวตนหายแต่หลวงพ่อก็ว่าให้กลับไปดูแล้วก็โยมก็กลับมาดูแล้วก็มันก็ไม่มีอีก hmm. ต่อมาทุกวันนี้โยมก็ปฏิบัติตามรูปแบบเ <Yeah. S 2> ดูจิตดูกายเเ <Yeah. S 2> สร็จแล้วก็เวลาเดินจงกรมก็มีสวดมนต์มันจะโผ อ, อกมาเป็นเป็นข้างเป็นคาว่าหลวงพ่ออเอ กำหนดพุทโธพุทโธพุทโธกรเดี่ยวมันแวบไปมันก็เออมันก็ขยอิติปีโสขึ้นมาเออนะให้รู้ทันนะ้าต่อไปแวบมันก็จะเป็นอย่างเวทนาขันโทสัญญาขันโทอย่างวุณิยาลองปอบอย่าโฮบทส่วนหมดออกมาเป็นข้างเป็นข้าวแล้วเขาลู่ให้รู้ทันไงเราพุทโธพุทโธอยู่พอมันหนีไปที่อื่นเรารู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่เจ้าค่ะรู้ทันว่าอ๋อฟุ้งซ่านแล้วเธอเปลี่ยนบทส่วนมนตไปแล้ว <น>ข่าวที่แล้วนี่โยมส่งกันบ้านคุณมารีเจ้าค่ะแล้วก็คุณมารีบอกว่ายม์นี่ติดสมถะเจ้าค่ะถ้าเราติดสมถะเนี่ยดูกายจะดีที่สุดเลยดูกายดูเวทนานะความสุขความทุกข์จะดูดีดูบ่อยๆจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปบังคับมันก็ไม่ได้นะ้รู้ทันอย่างนี้เลยได้อืย มันจะเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทําสมาธิเยอะขอขอกับการบ้านกับหลวงพ่อจ้านี่ไงให้ไปดูกายดูเวทนาไปเรื่อยๆนะให้เห็นเลยร่างกายมันเป็นของถูกดูความสุขความทุกข์เป็นของถูกดูนะมาแล้วก็ไปกำลังของสมาธิที่เราทามาเนี่ยมันจะช่วยให้ดูกายกับเวทนาได้ง่ายนะเจ้าค่ะแล้วโยมติดติดอะไรอยู่ ตอนนี้จ้ะค่ะไม่อ้ยอย่าไปกลัวเลยนะมันก็ติดอันน้นติดอันนี้ธรรมดาอ่ะเนาะค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปนะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็ใช้ได้แล้วนะที่ผ่านมามันก็ดีขึ้นนะีนสบายขึ้นจ้ค่ะอหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน